มูลแห่งอาปัตตาทิกร อ, อะไรเป็นมูลแห่งอาปัตตาทิกรสมุดฐานแห่งอาบัตห6อย่างเป็นมูลแห่งอาปัตตาทิกรคือ 1. อาบัตเกิดทางกายไม่ใช่ทางวาจาไม่ใช่ทางจิตก็มี 2.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 อาบัตเกิดทางกายวาจากับจิตก็มีสมุดฐานแห่งอาบัตหกอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอาปัตตาที่ก่อน